เคยเตือนให้ระวังอย่รักใครอยากถึงเทหัวใจต้องให้คนที่เขาดีนนาทีดีอยู่แล้วได้เชื่อฟังแต่ยังต้องวนใจจนวันนี้เมื่อมันมีปัญหาปัญหา กับเธอพูดอะไรกู